การแผ่เมตตาเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างไรมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์ทุกชนิดมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายโลกฉะนั้นถ้ามนุษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ในโลกยังมีสันดานเหมือนสัตว์ก็จงคิดดูว่าโลกนี้จะดำรงอยู่ต่อไปหรือว่าโลกนี้จะต้องพินาศขอให้นึกถึงอาวุธต่างซึ่งประเทศใหญ่ๆได้สร้างขึ้นมานั้น ในปัจจุบันนี้ก็มีเกินพอที่จะทำลายล้างโลกให้หมดสิ้นไปแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะไม่มีเหลือที่ว่ายังมีสันดานเหมือนสัตว์นั้นก็ขอให้พิจารณาดูว่าในสังคมของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นมันมีความรักความเมตตาต่อกันมีการเกือ้อกูลกันมีการให้อภัยกันหรือไม่หรือว่ามีแต่การแย่งกันกินแย่งกันอยู่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็ก ขอให้ดูสัตว์ที่ใกล้ ก, กับคนเช่นสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นที่เราพบเห็นกันอยู่เสม อ, อนั้นสันดาณของมันเป็นอย่างไรถ้าเขาด่าเราเราก็ต้องด่าตอบเขาตีเราเราก็ต้องตีตอบเขาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าตอบสมมติว่าในสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้แล่นอกจากนี้ยังมีการแย่งกันกินแย่งกันอยู่เอารัดเอาเปรียบกันขู่จุดีดกัน โกงกันหลอกลวงกันและพยายามเอาอย่างกันและเรียนแบบกันด้วยลองคิดดูว่าในที่สุดโลกนี้จะเป็นอย่างไรในสังคมของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแม้ว่ามันเป็นเช่นนี้แต่โลกก็จะไม่พินาศเพราะถึงอย่างไรมันก็จะไม่ฉลาดถึงกับคิดหาวิธีการทำลายล้างกันจึงกระทั่งสัตว์ทั้งหลายได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแต่มนุษย์ โดยอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆทําให้มนุษย์ฉลาดยิ่งขึ้นโดยลําดับฉะนั้นถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่หรือเกือบจะหมดทั้งโลกยังคงมีสันดานของสัตว์เดรัจฉานหรือสูงกว่าสาัตว์เดรัจฉานไม่มากนักก็เป็นการแน่นอนว่าโลกนี้จะต้องพินาศเพราะการกระทําของมนุษย์หรือถึงแม้จะไม่ถึงกับพินาศหมดทั้งโลกแต่โลกก็มีสภาพเป็นนรกเป็นอบายภูมิมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุด พระเจ้าก็ต้องลงโทษ ด, ด้วยการทำลายโลกทั้งหมดซึ่งพระเจ้าผู้ทำลายโลกก็คือมนุษย์ผู้ชั่วร้ายในโลกนั่นเองอาจใช่ใครอื่นที่ไหนไหม่อนหนึ่งเขาได้โปรดสังเกตไว้ด้วยว่าโดยธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นเราไม่มีทางที่จะสั่งสอนหรืออบรมให้มีศีลธรรมขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะใช้วิธีไหน แต่สำหรับมนุษย์ทั้งหลายนั้นยังมีทางที่จะแนะนำสั่งสอนได้เพราะในสันดานของมนุษย์ย่อมมีทั้งดีและชั่วและมีสมองที่จะจดจำเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนความคิดความรู้สึกได้แก้นิสัยสันดานต่างๆได้ฉะนั้นในสังคมของมนุษย์จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างเดียวกับในสังคมของสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่ว่าจะทาอย่างไร มันก็ไม่อาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นมาได้หรืออาจจะทำได้ก็ไม่ใช่เพราะการกระทําของมันแต่จะต้องเป็นการกระทําของมนุษย์เช่นบางคนเอาสุนัขแมวเสือลิงหรือสัตว์อื่นๆมาเลี้ยงร่วมกันให้กินนอนด้วยกันตั้งแต่อย่างเล็กๆไร้เดียงสาซึ่งสัตว์เหล่านี้เมื่อ่อขึ้นมาแล้วรู้จักรักกันไม่ประทุษร้ายกันตามธรรมชาติของมันแต่ถึงกระนั้น ก็ยังไว้ใจตลอดไปไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะถึงอย่างไรสันดาณเดิมของมันก็ยังมีอยู่เช่นเสือเมื่อหอิวขึ้นมาหาอาหารอย่างอื่นไม่ได้มันก็จะต้องกินเพื่อนของมันอย่างนี้เป็นต้นส่วนมนุษย์นั้นสามารถจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถเอาชนะความชั่วได้หมดทุกอย่างและเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดจิตใจไม่มีที่จะตกลงมาสู่ความชั่วอีกต่อไปมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆทั้งหมดและมนุษย์สามารถจะพัฒนาตนเองให้เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะตลอดจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าได้และสังคมต่างๆของสัตว์โลกจะเป็นปันิรูปไหนอย่างไร ก็สุดล้วแต่การกระทำของสัตว์นั้นๆสังคมไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบตายตัวที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดกาลในเมื่อจิตใจคนเปลี่ยนได้สภาพของสังคมก็ย่อมจะต้องเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงสังคมในโลกบางยุคซึ่งคนในโลกสมัยนั้นไม่มีการเบียดเบียนกันเลยไม่มีการพูดเท็จไม่มีการหลอกลวงกันไม่มีการเอาเปรียบกันเลย สังคมเช่นนี้เคยมีมาแล้วและก็อาจจะมีขึ้นมาได้อีกถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายจะได้พยายามช่วยกันพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดีโดยเฉพาะคือการพยายามหัดแผ่เมตตาให้ซึ่งกันและกันและให้กับสัตว์โลกทั้งหมดด้วยดังเช่นที่ได้กล่าวมาแล้วสัพเพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราขออย่าได้มีเวยนมีภัยต่อกันและกันเลยอพยาปัชชาขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาขออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่เมตตาดังที่กล่าวมานี้ขอให้ทำด้วยความจริงใจทำบ่อยๆทำจนเคยชินกลายเป็นนิสัยซึ่งถ้ากลายเป็นนิสัยแล้วก็หมายถึงว่าโดยนิสัยของเราจริงๆเราจะไม่คิดร้ายใครไม่คิดทำให้ใครเดือดร้อนไม่คิดที่จะทำให้ใครได้รับความเสียหายคือเสียสิ่งของเสียชื่อเสียงหรือเสียชีวิตทั้งไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครโกงใครหลอกลวงใคร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการและถึงแม้จะมีใครคิดร้ายต่อเราหรือทำลายเราประทุษร้ายเราหรือแสดงอาการดูหมิ่นดูถูกเราหรือทำอะไรก็ตามซึ่งเป็นผลเสียหายต่อเราแต่เราก็ไม่โกรธไม่คิดแก้แค้นไม่คิดจองเวรให้อภัยได้เสมอนี่ก็คือคนที่หัดแผ่เมตตาและทำบ่อยๆทำด้วยความจริงใจจนกระทั่งกลายเป็นนิสัย อย่าลืมว่าการลงโทษการตำหนิการว่ากล่าวการต่อสู้เพื่อป้องกันอะไรก็ตามตลอดทั้งการกระทามที่จำเป็นที่จะต้องฆ่าต้องประหารอะไรเหล่านี้นั้นเราสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความโกรธหรือความเกลียดด้วยและสามารถจะทำได้ดีกว่าทําได้ถูกต้องกว่าด้วยถ้าหากเราจำเป็นจะลงโทษใครหรือตาหนิใครหรือจะต้องต่อสู้กับใครก็ตาม ซึ่งในขณะที่ทำนี้เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาตีด้วยแผ่เมตตาให้ด้วยคนที่ฉลาดและมีคุณธรรมสูงนั้นเขาทำอย่างนี้ได้แต่คนที่ไม่ฉลาดจิตใจต่ำจะทำอย่างนี้ไม่ได้อุปสรรคของการแผ่เมตตามีอะไรบ้างได้อธิบายมาแล้วซึ่งผู้ที่เข้าใจดีก็จะเห็นด้วยว่า การแผ่เมตตานั้นเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณประโยชน์มากฉะนั้นต่อตากนี้ไปขอให้พิจารณาดูว่าการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นจะมีผลดีต่อโลกโดยส่วนรวมอย่างไรบ้างขอเรียบรดยยอนไปอ่านข้อความในตอนต้นอีกครั้งหนึ่งและขอให้ศึกษาหัวข้อเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างจำแจ้งคือหนึ่งพลังทิพย์ ก็คือพลังจิตหรือพลังวิญญาณสองทุกขณะที่ความคิดเกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าจะคิดถึงใครคิดถึงเรื่องอะไรคิดในทางดีหรือทางชั่วความคิดเหล่านี้จะมีผลต่อคนอื่นเสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่มากก็น้อยที่ว่ามีผลทางตรงก็คือ ความคิดที่แสดงออกมาเป็นคำพูดตัวหนังสือหรือแสดงออกมาทางกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังได้พบเห็นนั้นยอมจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจของเขาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือไม่ดีก็สุดละแต่ความคิดที่แสดงออกมานั้นดีหรือไม่ดีและผู้รับมีพื้นฐานที่จะรับได้มากน้อยแค่ไหน นี่คืออิทธิพลแห่งความคิดจากผู้อื่นที่มาถึงผู้รับโดยตรงส่วนทางอ้อมนั้นก็คือทุกขณะที่ความคิดเกิดขึ้นจะต้องมีพลังของความคิดแร่ออกมาในลักษณะเป็นคลื่นและมีแสงปรากฏด้วยซึ่งจะไปได้ไกลหรือไม่ไกลก็สุดแล้วแต่กำลังสมาธิของผู้คิดหรือผู้สง่งและผู้รับจะรับได้มากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้รับการรับความคิดในลนนักษณะนี้ผู้ที่ได้รับจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าตนเองได้รับความคิดอย่างนี้มาจากใครหรือจากที่ไหนเพราะมันจะปรากฏออกมาในลักษณะนนของการโดนใจทำให้ผู้นั้นคิดขึ้นมาเองเหตุการณ์เช่นนี้คนเราได้รับกันอยู่เสมอทุกวันและบ่อยครั้งด้วยแต่ไม่ค่อยมีใครรู้สึกตัวกัน 3พลังความคิดก็คืออำนาจสร้างสรรค์อำนาจบันดาลทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของคนเราก็เกิดมาจากพลังความคิดแห่งวิญญาณของเราเองเหตุการณ์โชคชะตาวาสนาเคราะดีเคราะร้ายอุบัติเหตุโดยที่สุดแม้กระทั่งการสงครามก็เกิดมาจากพลังแห่งความคิดสิ่งประดิษฐ์ใดๆก็ตาม ก็ล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งสิน้นสี่การที่คนเราเรียนแบบกันเอาอย่างกันไม่ว่าในทางดีหรือไม่ดีก็ล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งสิน้นห้นรกมีสวรรค์มีทุกติภูมิสุขติภูมิ สิ่งแวดล้อมต่างๆในภูมิเหล่านี้ก็เกิดมาจากพลังแห่งความคิดไม่มีสิ่งใดและไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกไหนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งนั้นดังบาลีว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสรษฐามโนมยาทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจหรือวิญญาณวิญญาณหรือใจเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงสำเร็จด้วยใจหรือวิญญาณในโลกของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจมองเห็นได้ยากเพราะในโลกของมนุษย์ลาพังความคิดอย่างเดียวขอให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่ได้ต้องมีการกระทำและต้องมีเครื่องมือมีวัสดุที่จะทำด้วยส่วนในโลกทิพย์หรือในโลกของวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจ มองเห็นได้ง่ายเพราะในโลกทิพนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดว่าเกิดจากการยรรมิตรหรือการบันดาล 7. โลกมนุษย์กับโลกทิพดยเนื้อหาที่แท้จริงก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันเหมือนกับน้ำเหลวน้ำแข็งไอ้น้ำโดยเนื้อแท้ของสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งสิ่งเดียวกันฉะนั้นการจะดูความเป็นไปในโลกมนุษย์ให้เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆนั้นจะต้องดูจากโลกทิพย์ด้วยข้อความโดยสรุปทั้งเจ็ดหัวข้อนี้ได้อธิบายมาแล้วอย่างละเอียดพอสมควรในตอนต้นสำหรับผู้ที่เข้าใจสาระของข้อความเหล่านี้ทั้งหมดนั้นเขาจะมองเห็นผลของการแผ่เมตตาอย่างชัดเจน การแผ่เมตตาที่ทำด้วยความจริงใจนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีสาระประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าอะไรเลยนั้นแท้ที่จริงแล้วมีคุณค่ามากที่สุดทั้งแก่ตนเองและแก่คนอื่นด้วยความคิดที่แพร่ออกมาแต่เป็นความคิดที่ประกอบด้วยความเมตตานั้นมักจะมีผลคล้ายๆอย่างนี้คือเมื่อเราเห็นคนอื่นยิ้มเราก็มักจะยิ้มด้วยเมื่อเขาหน้าบึง้ง เราก็มาเจอบึงด้วยถ้าเขาโกรธเราเราก็มาจะโกรธเขาด้วยหลักอันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นหลักที่จะต้องเป็นเช่นนี้ทุกครั้งและทุกคนก็จริงแต่ก็เป็นหลักที่จะทำให้เรารู้ว่ากระแสะความคิดที่แพร่ออกไปนั้นย่อมจะไปดึงหรือไปโดนใจให้ความคิดแบบเดียวกันเกิดขึ้นมานี่คือประเด็นที่สาคัญที่สุดฉะนั้น ทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นอย่างน้อยจะต้องมีคนหนึ่งที่จะรับกระแสความคิดจากเราซึ่งผู้ที่จะรับได้ง่ายที่สุดก็คือพวกโอปปาติกะที่อยู่ใกล้เราและมีพื้นจิตใจใกล้เคียงกับเราและเมื่อใครก็ตามได้รับกระแสความคิดอันนี้แล้วเขาก็จะเกิดความคิดอย่างเดียวกับเราและแล้วความคิดอันนี้ ก็จะแพร่ออกไปอย่างบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นกว้างขวางออกไปเรื่อยๆผลที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือกระแสะความคิดที่ดีต่างๆเหล่านี้ก็จะไปฉุดหรือไปกระตุ้นให้ความคิดดีๆของคนอื่นให้เกิดขึ้นเพราะโดยปกติคนเราทุกคนก็ย่อมมีเชื้อแห่งความดีอยู่ในสันดานด้วยกันทุกคน ค, คนเช่นไรย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้น ภาสิทธินี้เป็นความจริงก็เพราะคนเราทุกคนย่อมมีเชื้อทั้งดีและชั่วอยู่ในตัวฉะนั้นเมื่ออยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีความดีในตัวก็จเจริญเมื่ออยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีความชั่วในตัวก็จเจริญโปรดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้ละเอียดการแผ่เมตตาด้วยความจริงใจนั้นย่อมจะต้องมีผลดีต่อบุคคลอื่นอย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมานี้ฉะนั้นสำหรับบุคคลที่มีพื้นดีเป็นคนมีนิสัยเมตตากรุณาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วนั้นการแผ่เมตตายอมทำได้ง่ายอยู่แล้วไม่ต้องฝืนใจฉะนั้นในกลุ่มของคนเหล่านี้ซึ่งถ้าหากจะได้กระทำกันอยู่เสมอทำบ่อยๆพลังแห่งความเมตตาที่สะท้อนย้อนรับกันนั้น ก็จะมีพลังมากขึ้นและแผ่ไปได้ไกล ย, ยิ่งขึ้นคนที่หูตึงหรือคนที่สนใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหลงไหลนั้นเสียงที่ดังมากๆก็ยังทำให้คนเหล่านี้ได้ยินและหันมาสนใจกับเสียงนั้นได้ในทํานองเดียวกันพลังแห่งความเมตตาซึ่งทำมีมากจริงๆแม้แต่คนใจดำอมหิตก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่ออานาจนี้ แล้วกลับใจได้ซึ่งตัวอย่างอันนี้ในทางพุทธศาสนามีมากเช่นจะดูได้จากตัวอย่างของพระเทวทัตกลับใจพระองคุลิมานกลับใจช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายกลับใจเพราะพ่ายแพ้ต่ออำนาจเมตตาของพระพุทธเจ้าและจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนมากจากคนที่ได้เข้าใกล้หรือได้พบกับพระอาริยะพระอูปฏิบัติดี ทุกคนจะรู้สึกว่าได้รับพลังแห่งความเมตตาของท่านซึ่งในขณะนั้นความคิดที่เป็นอกุศลจะหายไปโดยอัตโนมัติทุกคนจะคิดแต่ในทางที่ดีซึ่งแน่ละ่ะคนไหนซึ่งถ้าพื้นเดิมเป็นคนดีอยู่แล้วเมื่อได้รับพลังจากท่านความคิดที่ไม่ดีซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่ในใจนั้นมันก็จะหายไปได้ยางรวดเร็วและบางทีก็อาจจะหายไปจนตลอดกาลหรือความคิดชั่ว น, นั้น จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยมาเหตุผู้อ่านส่วนตัวแล้วเจอกับตัวเองนะครับเมื่อคราวที่ได้ไปกราบหลวงตาพระมหาบัวแต่เดิมนั้นค่อนข้างจะแอนตี้ท่านด้วยซ้ำไปนะครับเพราะจากการที่มีการเผยแพร่การสั่งสอนศีลด้วยคำหยาบ หรือสั่งสอนสิทธิ์ด้วยความดุก็กเลยพลอยปรมามทท่านไปด้วยโดยที่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจและเพิ่งรู้ภายหลังว่าสิทธิ์บางคนนั้นหัวดือ้อและเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงการที่จะพูดปราอด้วยนั้นไม่สามารถจะเข้าใจหรือกลับตัวกลับใจได้ท่านจึงใช้วิธีการสอนที่อาจดูรุนแรงไปบ้างที่เหมาะสมกับคนคนนั้นและท่านสอนเฉพาะคนคนนั้นจริงๆหรือคนกลุ่มนั้นเท่านั้น แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพออกมาเผยแพร่โดยที่ไม่มีคําอธิบายแน่นอนว่าคนที่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดก็จะต้องมองหลวงตาท่านเป็นในแง่ลบและเมื่อมีโอกาสได้ไปกราบท่านได้ใกล้ชิดกับหลวงตาจริงๆความคิดลบที่เคยมีมานั้นก็หายไปโดยสิ้นเชิงเรารู้สึกได้จริงว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากสายตาของท่านรอยยิ้มและการพูด ความเมตตาที่แผ่ออกมานั้นสามารถรับรู้ได้ถึงพลังบริสุทธิ์จากใจของท่านซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างจากการได้ฟังเสียงหรือดูสือ่อที่หลายคนเอามาเผยแพร่และโจมตีท่านและส่วนตัวก็ได้พบปฏิหารของท่านหลายครั้งแต่ขอไม่เล่าละกันนะครับด้วยความที่เจอมันกับตัวเองและสัมผัสมากับของจริงนั้นทำให้ความอาคติและสิ่งที่เคยคิดลบต่อท่านหายไปหมดเกลื่อนเรื่องนี้สาหรับคนที่ฝึกจิตมาดีพอ จนสามารถมองเห็นพลังงานทางจิตแผ่รอบตัวได้นั้นทุกคนต่างยืนยันกันนะครับว่าพลังจิตที่แผ่ออกมาของลวงตาพระมหาบัวนั้นบริสุทธิ์ผุดพองอย่างยิ่งจึงไม่น่าแปลกนะครับที่หลายคนที่ปฏิบัติถึงจุดจริงจะเคารพท่านมากต่อให้จะได้เห็นการสั่งสอนสิทธิ์ในแนวที่ดูรุนแรงหรือหยาบคายไปบ้างก็ตามเพราะตามธรรมดานั้นพระอริยพระอรหรันท่านทาอะไรไม่เป็นกรรมเป็นเพียงแต่กิริยา คือขาดเจตนาให้ดูคนแก่สมัยโบราณนะครับหลายคนพูดคำหยาบแต่เราได้ฟังแล้วไม่รู้สึกหยาบบางทีก็เป็นคำเคยปากเคยชินหรือเป็นภาษาในสมัยโบราณที่คนพูดเองท่านพูดด้วยจิตที่ไม่หยาบพูดด้วยความซื่อตรงพูดไปตามตรงหรือมีจุดประสงค์สั่งสอนสิทธิเฉพาะหน้าให้เหมาะสมกับจริตของเขาเท่านั้นเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับ เป็นที่น่าเห็นใจมากที่คนจำนวนมากไม่เคยศึกษาและไม่เข้าใจในแง่ประเด็นนี้เมื่อเห็นอะไรภายนอกก็พลอยปรามาศราอาริยะไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลเสียต่อเขาอย่างมากโดยที่หลายคนก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชีวิตมีแต่คนใส่ร้ายมีแต่คนมองแง่ร้ายหรือทำดีไม่ขึ้นสิ่งที่เขาเจอนั้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าเกิดจากการที่เขาเคยไปปรามาผู้มีคุณธรรมส่งไว สำหรับเรื่องพลังงานทางจิตที่แผ่ออกมาให้ผู้ปฏิบัติทางจิตสามารถสัมผัสได้นั้นในกลุ่มนักปฏิบัติด้วยกันจะไม่สงสัยเรื่องนี้นะครับแต่ก็คงเป็นการยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่บูชาหลักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเป็นประหนึ่งศาสนาของเขาไปแล้วแต่อย่างที่เคยบอกไว้นะครับนักวิทยาศาสตร์บางท่านก็พยายามทดสอบพลังงานพวกนี้และยอมรับความจริงส่วนหนึ่งแล้ว ว่าพลังงานจากจิตที่แผ่ออกมานั้นพลังงานจากจิตที่เป็นกุศลส่งผลต่อวัตถุคือ น, น้ําให้กลายเป็นผลึกสวยงามส่วนพลังงานจากจิตที่เป็นอกุศลที่แผ่ออกมาจากใจหรือคําพูดนั้นส่งผลต่อวัตถุหรือน้ําให้มีผลึกรูปร่างนาเกลียดไม่เป็นระเบียบจึงพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าพลังที่แผ่ออกมาจากจิตนั้นมีผลต่อสิ่งแวดล้อมจริงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ เมื่อเรายิ้มให้เขาเขาก็าอดที่จะยิ้มให้เราไม่ได้หลักอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันคือพระองค์ตรัสว่าอุชเกละเพปูชังวันทะโกปติวันทนังผู้บูชาเขายอมได้บูชาตอบผู้ไหว้เขายอมได้ไหว้ตอบหลักอันนี้ถึงแม้จะไม่เป็นจริงทุกครั้งแต่ก็เป็นหลักที่ใช้ได้กว้างขวางมาก คนทุกวันนี้เห็นแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีกันมากแล้วก็คิดเอาอย่างกันโดยอัตโนมัติฉะนั้นพลังแห่งความคิดที่ชั่วซึ่งเกิดจากคนชั่วนั้นมองดูในโลกมนุษย์เห็นไม่ชัดแต่ในโลกทิพย์พลังแห่งความคิดที่ชั่วนั้นได้ปรากฏออกมาเป็นเมฆหมอกสีดำในที่ใดที่คนคิดชั่วทําความชั่วกันมากในสถานที่แห่งนั้นจะเห็นเมฆหมอกสีดาอันนี้แพปกคลุมอยู่ในบริเวณนั้น และทุกวันนี้ในโลกโดยทั่วไปมเมฆหมอกที่ว่านี้ก็มีมากที่สุดมันก็คล้ายๆกับในกรุงเทพหรือในอนครใหญ่ๆทั่วโลกอากาศจะเป็นพิษมากอากาศบริสุทธิ์มีน้อยรอกแก๊สที่เกิดจากท่อไอเสียและกลิ่นควันสิ่งสกป ร, รกซึ่งมีอยู่ทั่วไปทำให้อากาศเป็นพิษเพราะพลังเห็นความชั่วเห็นได้ชัดในโลกทิพนี่หละในทางพุทธศาสนาจึงได้กล่าวว่า เมื่อถึงวันจะสิ้นโลกหรือสิ้นกลับนั้นเทวดาทั้งหลายจะลงมาประกาศให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ล่วงหน้าก่อนซึ่งจะนานเท่าไรในคำผีไม่ได้บอกไว้แต่ก็คงจะต้องนานพอสมควรนานพอที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายกลับใจเลิกละความชั่วหันกลับมาประพฤติความดีกันได้แต่เมื่อถึงเราจะต้องสิ้นโลกจริงๆแล้วเทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ จะไม่ฟังเสียงของเทวดาที่ให้เลิกลักความชั่วเขาทั้งหลายยังคงประพฤติความชั่วกันต่อไปมนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่เชื่อแล้วก็พากันปลีกตัวออกห่างจากมนุษย์ผู้ชั่วร้ายทั้งหลายไปอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ในที่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายทั้งหลายแล้วพากันถือศีลประพฤติธรรมไปจนกว่าจะตายซึ่งในเมื่อทุกคนในโลกต้องตายหมด เพราะไฟประลายกันล้างโลกหรือน้ําท่วมโลกหรือตายตามอายุไขของตนก็ตามผู้ที่ประพฤติชั่วก็จะต้องไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะอยู่ในอบายภูมิส่วนผู้ประพฤติความดีก็ไปสู่สุขติภูมิเรื่องทํานองนี้โปรดใส่ใจไว้บ้างว่าไม่ใช่เรื่องนิยายเลยแต่เป็นเรื่องจริงซึ่งอาจจะเกิดในชั่วระยะไม่เกินอายุไขของมนุษย์สมัยนี้ก็ได้ เพราะจากเมฆหมอกสีดำในโลกทิพย์ซึ่งเทวดาทั้งหลายมองเห็นอย่างชัดเจนนั้นขณะนี้มันก็ปกคลุมแผ่ทั่วไปเกือบจะทั้งโลกอยู่แล้วแต่พลังเห็นความเมตตาหรือพลังเห็นความคิดอันสุจริตซึ่งปรากฏออกมาในรูปของแสงสว่างนั้นก็ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปเป็นแห่งๆเหมือนกันคือแปลว่าในโลกนี้คนดีๆก็ยังมีอยู่มากเหมือนกันฉะ น, นั้นถ้าคนดีๆทั้งหลายเหล่านี้ จะได้ช่วยกันเพิ่มพลังแห่งความคิดที่ดีให้มากขึ้นและให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพลังอันนี้ก็จะไปช่วยขจัดเมฆหมอกสีดำให้จางลงได้หรืออย่างน้อยในเมฆหมอกสีดำนั้นก็ยังมีแสงสว่างเรืองรองแทรกอยู่เพียงแค่นี้ก็ยังจะช่วยบรรเทาความชั่วร้ายความเดือดร้อนให้น้อยลงไปได้บ้างพลังทิ่ คือพลังเห็นความคิดอันประกอบไปด้วยเมตตาซึ่งคนทั้งหลายได้พยายามช่วยกันแผ่ด้วยความจริงใจนั้นอย่านึกว่าจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยเพราะความคิดที่ประกอบด้วยความเมตตาซึ่งเกิดจากมนุษย์นั้นผู้ที่จะรับได้ง่ายที่สุดก็คือเทวดาทั้งหลายครันแล้วเทวดาเหล่านี้เมื่อจะรับแรงใจจากมนุษย์ก็จะเพิ่มพลังอันนี้ให้มากขึ้นและแพ่กว้างออกไปอีก พวกโอปะปะาติกะด้วยกันก็จะพ่อด้รับด้วยอย่าลืมว่าพวกโอปะปะาติกาทั้งหลายนั้นก็ไปจากมนุษย์นิสัยสันดานติดไปจากมนุษย์ฉะนั้นพวกโอปะปะาติกะที่ไม่ดีก็มีอยู่ไม่น้อยพวกเหล่านี้เมื่อได้รับพลังที่ดีจากพวกโอปปาติกะด้วยกันก็จะไปดึงส่วนที่ดีซึ่งมีอยู่ในสันดานของเขาไว้ออกมา ทำนองเดียวกันกับคนสันดานชั่วบางคนซึ่งถ้าเราพูดดีทำดีกับเขาเขาก็รู้จักทำดีพูดดีกับเราได้เพราะส่วนที่ดีในสันดานของเขาก็มีเหมือนกันการแผ่เมตตาชนิดที่ทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อพบใครพูดกับใครอยู่ร่วมกับใครนึกถึงใคร ก็ขอให้นึกคิดแต่ในทางที่ดีแก่ผู้นั้นถึงแม้เราจะรู้หรือเห็นส่วนที่ไม่ดีในตัวเขาเราก็เพียงแต่จำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลอกลวงเราทำให้เราเดือดร้อนแต่ใจจริงแล้วเราปรารถนาดีต่อเขาเสมอและที่สำคัญยิ่งก็คือตัวเราเองต้องพยายามคิดแต่ในทางสุจริตอยู่เสมอแม้จะเห็นคนอื่นทำความทุจริต หรือทำการคอร์รัปชันได้ผลดีอย่างไรเราก็ไม่นิยมไม่ยินดีไม่เอาอย่างพยายามทําใจให้เข้มแข็งอดทนเข้าไว้วิธีนี้จะช่วยคนอื่นให้เกิดความคิดเป็นกุศลได้มากซึ่งการกระทําเช่นนี้คนที่มีพื้นดีจะทําได้ง่ายไม่ต้องฝืนใจมากฉะนั้นถ้าคนที่มีพื้นดีเหล่านี้จะได้ช่วยกันแผ่เมตตาให้กับสัตว์โลกทั้งหลายให้มาก ทำด้วยความจริงใจและทำกันอยู่เสมอเสมอแล้วพลังทิพย์อันนี้จะสามารถช่วยคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้แน่นอนสมกับหลักธรรมในพุทธศาสนาที่กล่าวว่าโลเกปธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก